150สมาธิทั่วไปกับสัมมาสมาธิจึงต่างกันยิ่งอย่างนี้นับตาทำสมาธิไม่รู้จักกิเลสที่เกิดจากเหตุภายนอกต้องปฏิบัติมีสัมผัสภายนอกครบครันบริบูรณ์จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะกิเลสเกิดให้เห็นความจริงปรากฏจริงให้กําจัด จึงจะกำจัดถูกตัวตนของกิเลสเกิเลส จ, จึงจะดับสิ้นจริงจังไม่ใช่เอาแต่กดคมหรือไม่ใช่หลับตาเข้าไปอยู่ในผวังให้มันไม่รู้ชีวิต จ, จริงไม่สามารถรู้กิเลสเกิดจริงอย่างรู้ๆเห็นๆ เ, เพราะปิดทวารเปิดทวานปฏิบัติประทบสัมผัสจริงจึงรู้ ร, รู้เห็นๆ ชาณาติปสตัสสิอาการกิเลสในใจขณะมันเกิดอยู่จริงๆเป็นความจริงหลัดหลัดต้องตอง้กิเลสหรือตัณหาดับก็คือบรรลุนิพพานหรือนิโรธแบบพุทธมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบได้บริบูรณ์สำบูรณ์ถึงที่สุดไม่งมงาย ซึ่งมีทั้งหลักปฏิบัติและผลธรรมของการปฏิบัติกันคนละอย่างกับหลับตาปฏิบตัติดับความรับรู้ของจิตไปทั้งจิตได้คือนิโรธและผู้ปฏิบัติก็คือาราวานนี่แหละตัวจริงชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบัติทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ออกบวชแล้วเท่านั้นเพราะการลดกิเลสควรแก่คนทุกคนไม่ละเวน้นคนทุกคนควรลั ก, กิเลสทั้งนั้นนอกจากคนเสียจริตและคนงง่จัดเท่านั้นที่จะเห็นแย้งในข้อนี้